เรื่องเทศมูลกรร ม, มาฐานท่านพระอาจารย์ได้เทศเรื่องนี้ว่าก่อนพระอุปชาจะบวชให้กุลบุตรทั้งหลายนั้นจะต้องสอนเรื่องมูลกรร ม, มาฐานก่อนเกษาโลมานนาทันตาตะโจคือผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นอนุโลมคือตามลำดับ ตาโจทันตานัขาโลมาเกสานี้เป็นปฏิลมคือย้อนกลับต่อจากนั้นพระอุปชาจะอธิบายพอให้ได้ใจความว่ารากเงาของพระกรรมฐานทั้งหมดอันผู้ปฏิบัติจะพิจารณานั้นออกไปจากกรรมฐานห้านี้เองจึงเรียกว่ามูลคือเขาเป็นมูลเหตุ อนมูลกรรมมทานี้ท่านพระอาจารย์อธิบายได้ละเอียดเป็นอนเอกปริยายอย่างมีระบบซึ่งผู้เล่าจะนำมาเล่าพอได้ใจความดังนี้ท่านปลาเกษาอันว่าผมทั้งหลายโลมาอันว่าขนทั้งหลายนักขาอันว่าเล็บทั้งหลายทันตาอันว่าฟันทั้งหลายตาโจอันว่าหนัง ท่านไม่ว่าทั้งหลายก็มันหนังผืนเดียวนี้พุ่มห่อร่างกายอยู่นอกนั้นมันมีมากก็ว่าทั้งหลายผมอยู่บนสรีรษกอยู่บนเบื้องสูงตามองดูจะเห็นส่วนบนก่อนต่อจากนั้นจึงเห็นโดยลำดับรวมลงที่สุดคือหนังหนังเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดความนิยมชมชอบ ความสมมุติว่าเป็นพระเนนเทนเท้ารวมทั้งบุตรภรรยาสามีก็พระหนังผืนนี้หุ้มหอ่อหากไม่มีหนังหุ้มหอ่อมีแต่เลือดเนื้อเอ็นตับไตไส้พุงสุดท้ายเหลือแต่กระดูกในหม้อนิโลหรือว่าเหลือแต่โครงกระดูกใครเล่าจะนิยมชมชอบว่าบุคคลนี้เป็นพระเนเ น, เ น, เ น, ะเนเทนเท้านี่เป็นบุตรภรรยาสามีของเรามีไหมละ่ะ ด้วยเหตุนี้เองพระอุปชาจึงได้สอนกุลบุตรผู้จะบรรพชาอุปสมบทให้เรียนมู ล, ลกรรมฐ า, านก่อนเพราะว่าราคะความกำนัดยินดีอยากจะได้ชมเชยเชยชิดก็เพราะไอจุตามองไปเห็นหนังก่อนไม่ว่าชายเห็นหญิงหญิงเห็นชายแล้วอยากได้มาเป็นภรรยาสามีก็เพราะหนังผืนนี้เองนอกนั้นเป็นแค่ส่วนประกอบหนังเป็นต้นเหตุ หนังก่อทุกหนังก่อพบก่อชาติไม่ว่าคนและสัตว์หมูมากาไก่ช้างมาโคกระบือแม้กระทั่งลาก็หนังผืนนี้และทำไมพระอุปชาจึงสอนให้พิจารณามูลกัมมฐานเพราะว่าเจ้าราคะเจ้าโทสะเจ้าโมหะเจ้ากามตัิหาภวะตันหาวิภวะตันหาเกิดจัตตาไปกระทบกับข้ามูล น, นี้ จึงต้องให้รู้สภาวะที่แท้จริงที่เกิดลักษณะาอาการกลิ่นสีให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูลไม่งามน่าเกลียดโส โ, โรครกเพื่อบรรเทากำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปตามความตั้งใจของกุลบุตรที่มีศรัทธาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาท่านยกอุทาหรณ์ในเรื่องงูลกรรมฐานไว้ว่า แม้สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าก็ตรัสสอนพระราหุลพุทธชิโนรสเป็นกรณีพิเศษพระโอวาทนี้เรียกว่าจุลราหุโลวาทสูตรเป็นการทดสอบความสามารถของพุทธชิโนรสครั้งแรกเพราะพระราหุลทรงได้รับการยกย่องจากพระสัสดา ว, ว่าเลิศกว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา ครั้งที่สองส่งแสดงแก่พระราหุลก็มูลกรรมมฐานแต่เป็นอเนกปริยายตามอัธยาศัยของพระราหุลชื่อว่ามหาราหุโลวาทสูตรจบลงจึงได้สำเร็จเป็นพระอระหรันพร้อมกับจตุปติสัมพิทายาณอย่างสมบูรณ์ได้รับสมยาว่าพระมหาราหุลตั้งแต่บัดนั้น หลังจากนั้นพระอุปชาก็คลี่ผ้ากาสาวพัดเอาอังสะจากพระไตรจีวรผมฉเฉวียงบาข้างซ้ายอธิบายวิธีครองผ้าเสร็จมอบผ้ากาสายะให้นำไปครองคลองผ้าเสร็จเข้ามาใน่ํากลางสงกราบสามหนถวายดอกไม้กล่าวคำขอสรณะและศีลพระอุปชาก็ให้สารณะและศีลโดยบทบาลีว่า พุทธังสารนังขจามิจนถึงสังคังสารนังขจามิวาระที่ 1, หนึ่งสามหนทุติยมปิวาระที่สองสามหนเป็นหกตติยมปิวาระที่สามสามหนเป็นเก้าแล้วอาจารย์จะบอกว่าการบรรพชาเป็นสมมาเนนสาเร็จลงด้วยไรสรณคมเพียงเท่านี้ท่านพระอาจารย์ได้อธิบายต่อไปว่า สารณะในศาสนามีแค่สามแม้ว่าจะถึงวาระที่สามก้าขนก็ไตรสารณะอันเก่าไม่มีคำว่าภูเขาต้นไม้รุกขเจติยาสารนังคชาตมิพูดผีปีศาจเสือสางคางแดงสารนังคชามิถ้าเพิ่มเข้ามาอย่างนี้ผิดสารณะไม่เป็นสารณะไม่เป็นบัรพชิตจะเพิ่มเข้ามาภายหลังสรณะก็เศร้าหมองท่านว่า จัดนั้นจะบอกให้สามนเณรสมทานสิกขาบทอันจะพึงศึกษา1ิบประการส่วนการอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นไม่ต้องสมทานศีล227เป็นเรื่องของสงฆ์จะยกฐานะให้เป็นพระภิกษุเมื่อคณะสงฆ์ยินยอมแล้วก็เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์จัดนั้นเป็นหน้าที่พระอุปชาจะสอนอนุสาดข้อห้าม ละออนุญาตการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นไม่ได้สอนพระที่ทาหน้าที่พระอุปชาใหม่เท่านั้นแต่ท่านสอนสิทธิ์ทั้งเก่าและใหม่เพื่อให้สิทธิ์สานึกเสมอว่าการปฏิบัติตามโอวาทพระอุปชานั้นสามารถบรรลุ ธ, ธรรมวิเศษชั้นใดชั้นหนึ่งมีพระโสดาบันเป็นต้นภายในเจดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสองปีและสิปี เป็นอท่านสอนสลับกันไปทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยยังมีระบบละเอียดอุปมาอุปไมเป็นเอเนกปริยายชนิดผู้ฟังใจจดใจจอ่ออยากฟังตลอดเวลาท่านเปรียพระอุปชาเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดลูกจะสอนลูกทุกอย่างให้ทุกอย่างที่เป็นมนุษย์สมบัติพอกินพอใช้จนวันตาย ไม่มีผู้ใดเทียบได้จึงได้ชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนเป็นพรมของบุตรฉันใดก็ฉันนั้นท่านว่า